นี่น้อยไม่ได้หลับและฝันนะตอนนั้นอะอนุชาถามดารินสันศีษะตอบหนักแน่นมาว่าไม่ได้หลับแน่นอนค่ะพี่กลางระยะเวลามันก็ไม่ห่างจากที่พี่กลางนอนพูดคุยกันน้อยและพี่กลางก็หลับไปห่างกันแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีเท่านั้นอะพอน้อยบูชาระลึกถึงท่านก็มองเห็นภาพท่านทันทีเหมือนกัน เพีงแต่ขณะนั้นนะ่ะอยู่ในสภาพหลับตาเท่านั้นเองเป็นการเห็นจากดวงจิตสัมผัสจากที่พวกเพ่งกระสินหรือนักวิปัสนาเห็นเจียงถากล่าวขึ้นเสียงต่ำๆพร้อมกับพยักหน้าช้าๆรายนี้นะ่ะพี่เชื่อแน่เราพี่เองก็เคยประสบมาแล้ว เมืออ่อจุดทูปน้อมจิตระลึกถึงท่านแล้วก็อยากจะเชื่อว่าท่านคงจะส่งพลังจิตบารมีมาคุ้มครองป้องกันให้แกน้อยในทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านว่าแต่ท่านบอกหรือเปล่าว่าภัยจะมาสู่เราในลักษณะไหนดารินสันศีสั์น้อยถามแต่ท่านไม่บอกค่ะเพียงแต่แนะนำให้น้อยทำอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละคะ่ะ ท่านสั่งให้เอาบารมีของอราหันต์อันเป็นพระเครื่องร้อเครื่องรางที่น้อยมีอยู่เข้าคุ้มตัวเจ้าด้วนไว้ก่อนเพื่อป้องกันแม่มันตกอยู่ในอำนาจมู์สกดของวิญญาณแล้วมันจะกลายเป็นศัตรูจู่เข้าเล่นงานเราท่านเรียกกิติยาอาคมชนิดนั้นว่ามูลคดสารน้อยก็เลยจำเป็นต้องตัดสินใจอันเชิญหลวงพ่อทวดคล้องคอเจ้าด้วนไว้กันไม่ให้อาถัน์กาลีใดๆ ที่จะเข้ามาสิงมันได้น้อยอยากจะกราบถามท่านอีกตั้งหลายอย่างหลายกรณีแต่ท่านก็มาปรากฏกายให้เห็นแล้วพูดสั่งความกระน้อยแค่นั้นไม่ยอมบอกอะไรอีกว<ะ>้าเห็นจะนอนไม่หลับเช่นแล้วแฮคืนนี้ชัยยานุทานออกมากลางเธอชํานาญป่ามากกว่าพวกเราทุกคนคู่มากระหน่ำนอิน พอจะรู้อะไรมั่งไหมเกี่ยวกับมนคตจัสารน่ะพี่ชายใหญ่ถามไปยังน้องชายกลางซึ่งกำลังนั่งคบคิดอะไรอยู่อืมเท่าที่ผมรู้อ่ะนะจากการพูดคุยศึกษากนันอินมาตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกลางป่านั้นอินบอกกับผมว่าสัตว์ป่าทุกชนิดล้วนแต่มีวิญญาณ เราจะเรียกว่ากระแสะจิตของมันทั้งนั้นถ้าเรามีเวทมนต์คาถาซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของสยเวทลึกลับเข้าไปควบคุมมันไว้ได้เราก็จะสามารถบังคับบัญชาหรือใช้อะไรมันได้ทุกชนิดเหมือนเป็นนายของมันมณฑคจะสารก็คือหัวใจช้างนั่นเองมันเป็นคาถามหาเวทประเภทหนึ่งในคำพีดึกดำบรร ใครก็ตามที่สามารถใช้มนชนิดนี้ได้ก็สามารถจะใช้ช้างป่าหรือช้างบ้านก็ตามให้ตกอยู่ในอำนาจบงการได้ทุกชนิดครับผมก็ไม่เคยเชื่อในเรื่องอย่างนี้ครับแต่ก็เคยเห็นกระตามาแล้วสําหรับนั้นอินเวลาเราอดอยากเข้าจริงๆหาอาหารอะไรไม่ได้เลยแต่ในป่าแถบที่เราผ่านเข้าไปมีสัตว์เล็ก ประเภทกระจงและนกกระทานั้นอินนะให้ผมนั่งรออยู่เฉยๆตัวแกเองเดินหายเงียบไปพักใหญ่ก็สามารถไปหากระจงหรือบางทีก็นกกระทามาเป็นอาหารได้โดยไม่ได้ยินเสียงใกยิงสักป้งถามแกว่าได้มาอย่างไงแกก็ตอบได้ง่ายๆว่าแกมีมนเรียกสัตว์เล็กประเภทนี้โดยทำพิธีเรียกให้มันเข้ามาหา แล้วก็คว้าตัวมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกครับแกเคยบอกผมด้วยซ้ำว่าสมัยที่แกยังเป็นเด็กอยู่เราอยู่ที่เมืองยองรัฐไทยใหญ่แกเคยเห็นคนเก่งกล้าอาคมในถิ่นนั้นบางคนแด้งร่างเป็นเสือโคร่งได้ตัวแกเองเข้าใจดีแต่ก็ร่ำเรียนมาไม่ถึงขั้นนั้นศิยศาสตร์เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันลึกลับเหนือโลก และพิสูจน์กันไม่ได้จากแจ้งซึ่งทั้งพี่ใหญ่เองชัยยันหรือน้อยก็เคยพบเห็นอะไรแปลกๆค้านกหลักเองของทางวิทยาศาสตร์มาสนักต่อ น, นักแล้วไม่ใช่หรือครับนี่กลับถามจริงเหรอระหว่างนั้นอินก ร, รพินนะ่ะใครจะเก่งกว่ากันในเรื่องของป่าในความรู้สึกส่วนตัวของแกง เชยันถามมาตรงๆอ่ะมาถามจริงๆก็จะบอกจริงๆเหมือนกันแต่เฉพาะในความรู้สึกของฉันเองเท่านั้นนะผิดถูกไม่รับรองถ้าเฉพาะในด้านไสยศาสตร์การยั่งซึ้งเข้าใจในเรื่องของมน์มืดต่างๆนั้นอินเรียนรู้เชี่ยวชาญกว่ารพินแน่นอนแต่ในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวฝีเท้าในการเดินป่า ฝีมือยิงปืนไว้พริบปฏิทานระพินก็ต้องเหนือกว่านานอินเป็นธรรมดาและถ้าจะตามล่าสัตว์อะไรสักอย่างนี่ระพินก็อาจจะได้เปรียบานานอินตรงที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าไว้พริบดีกว่าแต่ถ้าจะแกเล็ปแก้อาถันของตากันแล้วละก็ระพินก็ไม่ทันานานอิน ระพินน์นยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างพรานป่ากับคนที่เจริญแล้วโดวยวิทยาการสมัยใหม่ส่วนนั้นอินน่ะเป็นลูกไพรโดยกำเนิดเป็นครูพรานระดับเดียวกับครูพรานของระพินคือคู่หูของแกที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างที่ระพินเคยเอ่อยอ้างอยู่บ่อยๆนานไพรไงละ่ะเทฐาชัยยันและดารินสงบงันไป และเห็นด้วยกับเหตุผลความเชื่อถือของอดีตพรานชดหนานอินนั้นทําไมเก่งจริงก็คงจะไม่นําอนุชาวราริศบุกเข้าไปถึงเทือกพระศิวะและมรกตนครเมืองลับ แ, แลได้แน่นอนทั้งๆ ท, ท, ที่ไปกันแค่สองคนเท่านั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ครบครักอนุชาหรือพรานชดเองก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์ของหนานอินนั่นแหละ แม้ว่าจะมีฐานะเป็นนายก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของป่าใหญ่ไพรกันดานเขาเรียนรู้ศึกษามาจากนานอินซึ่งถ่ายทอดให้ทั้งสิ่งกลางแล้วนี่เธอคิดว่านานอินรู้สึกผิดปกติหรือไหวตัวอะไรขึ้นบ้างไหมที่อยู่ไม่อยู่น้อยก็ลุกขึ้นมาเอาพระเครื่องคล้องคอให้เจ้าด้วนตะ ก, กี้เนี่ยเชิถาถาม ผมเชื่อว่าแกต้องรู้ครับพี่ใหญ่เป็นแต่จะไม่พูดเท่านั้นแหละแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับขออุ่นใจได้ว่างถนานอินยังร่วมอยู่กับเราแบบนี้แต่พอจะแก้ตกได้ทุกอย่างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในเส้นทางที่จะมุ่งไปเทือกพระศิวะครั้งก่อนนะ่ะผมไปถนานอินแค่สองคนเว้นจากความอดอยากธุรกันดานต่อเส้นทางแล้ว ผมสองคนน่ะไม่พบก า, บ า, บ า, บารันบ้าๆบอๆไรกาดหน้าสะพึงกลัวของดงหลงสำรวจนี่เลยแต่พอรพินนำพวกพี่ใหญ่ตามหลังไปก็เจอเรื่องหสัสจั่นน่ากลัวสารพัดอย่างก็แสดงว่ารพินสะกดป่าได้ไม่เก่งเท่านานอินของผมแต่เรื่องความสามารถนั้นผมก็ไม่เทียงว่ารพินน่ะยิ่งใหญ่จริงๆแม้จะพบกับสิ่งที่ไม่น่าพบ เขาก็แก้ตกได้ทุกกรณีไม่ว่าจะลำบากยากเย็นแค่ไหนส่วนทางด้านผมน่ะนันอินเบิกป่าให้ไม่ต้องพบกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะถ้าพบผมกับนันอินก็ไปไม่รอดแน่ก็คงจะตายซะระหว่างทางอ่ะก็ถ่า จ, จริงอ่ะนะพี่ชายใหญ่ของคณะยอมเห็นด้วย แล้วตอนนั้นรัพินก็ยังมีแง่ายเป็นคู่คิดช่วยกันด้วยสองคนน้อยยอมรับไหมในข้อนี้ประโยคหลังเขาหันมาถามน้องสาวคนเล็กถ้าเรื่องเวทมนตยศาสตร์อาคมรู้เคล็ดรู้วิธีแก้น้อยก็ยอมรับค่ะว่ารัพินอันเป็นคนสมัยใหม่คงจะสู้นานอินไม่ได้แน่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะไม่ประสีประษาซะเลยเขาก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันแล้วครูเขาก็ไม่ได้ด้อยไ้กว่านันอินอย่างที่พี่กลางก็ยอมรับอยู่แล้วนันอินนเล่นแต่ทางไสยศาสตร์เป็นหลักใหญ่แต่ระพินใช้ทั้งไสยศาสตร์นำมาประยุกต์กับวิทยาศาสตร์เมื่อมาสรุปถึงข้อนี้แล้วระหว่างนันอินกับระพินถ้าจะเลือกอคนใดคนหนึง่งให้อยู่กับเรา ในภาวะกลางป่าอันเต็มไปได้วยอันตรายอย่างนี้น้อยขอเลือกเอาข้างรพินไว้ก่อนละแต่ตอนนี้ยอใช้ยนายนรพินของเธอไม่รู้ไปอยู่เสที่ไหนอ่ะเราก็คงต้องพึ่งนันอินก่อนคนเก่งของเธอไม่ได้อยู่กับเราในขณะนี้ด้วยน่น้อยชัยยันว่ารพินถอนใจเฮือพยักหน้าเอาละเราจะมาดูกัน ระพินน์น่ะเคยตามทั้งพรานชดจะพรานอินได้ตัวกลับคืนมาสําเร็จคราวนี้พรานชดกับหนันอินจะเป็นฝ่ายติดตามเขาบ้างอจะตามเขาพบไหมก็คงได้รู้กันออกไปแต่อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับ ว, ว่าก่อนจะตามพบหรือไม่พบนะ่ะทั้งสองคนจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันหมายถึงความเป็นความตายของพวกเรา ให้ผ่านพ้นไปเป็นเปลาะเปละซะก่อนเถอะคืนนี้มหาฤาษีองค์นั้นมาในมิตชฉันล่วงหน้าแล้วนี่ว่าภัยมันจะมาเกิดขึ้นกับพวกเราแน่อริมพูดพร้อมกับยิ้มเกรียมๆ เ, เอื้อมมือไปฟ้าจุด300เวเทอร์แม็ก erm ขึ้นมาขยับลูกเลื่อนดูกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงเพื่อความแน่ใจอีกครั้งแล้วล้วงไปหลังหยิบกระสุนทั้งกล่อง นัดออกมาเทาใส่ฝ่ามือแบ่งใส่กระเป๋าเสื้อไว้ทั้งสองข้างกลัดดุงกันหล่นอาการของหล่อนประกาศชัดถึงความแน่ใจว่าจะยังไงซะก็จะต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่นอนนั่นนั่นนั่นกะจะทำสงครามการอะไรถึงขนาดนั้นเฉลยน้อยเชยันถามขึ้น ท่านบอกไว้แล้วว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายใครไม่เชื่อฉันก็ตามใจแต่ถ้ายอมเชื่อในประสาทสัมผัสของฉันบ้างก็ควรจะเตรียมให้พร้อมฉันบอกไม่ได้กัจริงว่าอะไรมันจะมาในรูปแบบไหนแต่คืนนี้รู้สึกมันจะไม่เข้าทีกลางป่านี้หนานอินนอนหลับอย่างเชิาถามน้องชายเสียงขลุม คงจะยังอะครับทำไมลหะครับพี่ใหญ่นี่แกจะคิดว่าพวกเราปอดแหกวันไหวเกินไปกว่าเหตุั้ยเนี่ยถ้าจะเรียกลุงอินมาปรึกษาอะไรซะหน่อยแทนคำตอบอนุชาป้องปากตะโกนเรียกนา้นอินออกไปไม่ดังนักแต่ในความเงียบมันก็ดังไปทั่วมีเสียงขันรับตอบมาทันที เมื่ออนุชาบอกให้เข้ามาหาทุกคนก็แลเห็นร่างสูงผอมของพรานชราเดินดุ่มดุ ม, ดมเข้ามาพอถึงอนุชาก็พยักหน้าบอกว่านั่งลงเดี๋ยวดิลุงอินในายใหญ่มีอะไรจะคุยด้วยหน่อยยังไม่งวงไม่ใช่เหรอครูพรานผู้เฒ่าหย่อนกายลงนั่งขัดสมาดกับพื้นดารินส่งถ้วยกาแฟให้แกยกมือไหว้ แล้วรับไปจิบพลางมองดูเชิดถาถามว่าในายใหญ่มีอะไรเรอมีอะไรจะถามหน่อยลุงดูเลือกยางไว้มั่งป่ะป่ารอบตัวเราคืนนี้เป็นไงมั่งนั้นอินหัวเราะเสียงลึกอยู่ในลำคอ <c oughs> ถ่ามันก็ไม่จบกงนอย่างเหมือนกันแหละในายใหญ่นายหญิงทําถูกแล้วล่ะ ที่เรียกไอ้ด่วนเข้ามาเอาพระเครื่องรางห้อยคอมันไว้ลุงรู้เหรอว่านายหญิงเอาพระห้อยคอไอ้ด่วนไว้ทำไมเฉถาสอบความคิดของแกโดยไม่ยอมถามอะไรตรงๆนันอินเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ดารินผู้มองอยู่ที่แกก่อนแล้วพลางยิ้มนันอินไม่รู้นะ ว่าอยู่ไม่อยู่นายหญิงก็ตื่นขึ้นมาเอาพระแขวนคอให้ไอดวนทำไมแต่ถ้าเป็นพระคลังสักสิทธิ์จริงก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ผีมันลงไอ้ด่วนได้เพราะถ้าผีมันลงไอ้ด่วนเมื่อไรแทนที่มันจะเป็นเพื่อนกับนายหญิงหรือกับพวกเราทุกคนมันก็จะไล่ยเหยียบไล่แทงเอาโดยไม่ทันรู้ตัว ไว้ก่อนอย่างงี้แหละดีแล้วเชษฐาดารินและชยันมองศบตากันจริงตามที่อนุชาบอกไว้ไม่ผิดครูพรานรไหวทันความรู้สึกนึกคิดของดารินได้เป็นอย่างดีสำหรับเหตุการณ์เมื่อครู่นี้อ๋อลุงกะผีอะไรละ่ะที่มันจะมาลงให้ด่วนนะ่ะชยันถามขึ้นบ้าง เพื่อสอบดูท่าทีและคำตอบของแก น, นันอินจิบกาแฟาอีกแล้วหัวร้อในลำคออยู่เช่นนั้นก่อนจะตอบว่าวิญญาณที่ไม่ดีวิญญาณร้ายก็ก็เรียกว่าผีทั้งนั้นแหละนายทหารนานอินก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นผีอะไรถ้าเป็นเจ้าปาเจ้าเขาเจ้าทา เรือนางไม้ที่ใจดีให้แต่คุณไม่ให้โทษใครถ้าไม่ไปดูมินทินแคลนเขาก็เรียกว่าเทวดาเป็นชั้นภูมิเทพส่วนไอ้ยักษ์ขมูดพูดพรายอสุรกายที่มันจ้องจะเล่นงานเราอยู่ก็เรียกว่าพวกผีปีศาจเป็นวิญญาณต่ำช้าชั่วร้าย ไม่รู้จักผิด ช, ชอบชั่วดีไม่ยอมรับความเป็นมิตรกับใครเจ้าพวกนี้ไม่สมควรแก่การสักการะกราบไหว้รกนายทหารแกพูดของแกไปเรื่อยๆปกติธรรมดาที่สุดแต่มันไม่ตรงกับคำถามของชายันนะนี่ลุงนายทหารเขาถามว่าผีประเภทไหนมั่งที่จะมาลงช้างได้นะ่ะ อนุชาถามย้ำ ม, มาเพื่อให้แกเข้าใจในคำถามของชยันนานอินกรอกหน้าแล้วซดกาแฟโฮกเดียวหมดเอาผ้าเขียนเอวขึ้นมาเช็ดปากนานอินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีอะไรที่มันจะมาลงสิงง่ายด่วนหรือช่างทั้งหลายได้แต่ถ้ามันทำได้มันก็จะต้องเป็นผีที่มีฤทธิ์เดช มากกว่าผีป่าเร่ร่อนธรรมดาเป็นผีที่มีวิชาอาคมกล้าฤทธิ์เป็นวิญญาณที่มีอำนาจมากพวกเจ้านายทั้งหลายผ่านดงลึกสุดกันมาแล้วก็คงจะรู้กันดีว่าในป่านะ่ะมันมีอะไรอยู่บ้างที่เราจะต้องสู้กับมันถ้งในที่เห็นตัวและไม่เห็นตัว ลุงพร้อมหรือเปล่าหลักคืนนี้เชษฐาถามเสียงเรียบๆรีย ใ, ใหญ่เมื่ออยู่ในปา่านานอินพร้อมเสมอไม่ว่าป่าไหนพวกเจ้านายคงไม่รู้หรอกว่านานอินสั่งไอ้พวกนั้นจะชี้ไปทางกลุ่มพวกลูกหากที่แยกย้ายกันอยู่เป็นกลุ่ม สร้างว่าให้มันนอนไวๆอย่าขี้เศราลูกปืนก็ให้เปลี่ยนมาเป็นลูกโดให้หมดนานอินเองถึงจะนอนก็ระวังตัวอยู่เสมอตื่นได้ทันทีถ้าอะไรมันใกล้เข้ามาแล้วก็นอนขวางปากทางสำคัญนั่นไว้ด้วยพวกเจ้านายก็นอนในสบายเถอะมีอะไรนานอินปลูกเอง หรืไงเขยินมันก็นอนไวเอ้ลุงแปล ว, ว่าเราอาจถูกช้างบุก ค, คืนนี้เหรอก็ไม่แน่รอกนายแต่ช้างป่าธรรมดาทั่วๆไปต่อให้ดุร้ายแค่ไหนมันก็ไม่เข่าหรอกแต่ช้างผีลงอย่างที่มันเคยงัดหินใส่พวกเราเมื่อวานนี้ตอนไตเขาชันไอ้พวกนั้นน่ะมันไม่กลัวลูกปืน ถูกปืนตายก็ตายไปไอ้ที่ไม่ตายก็จะพุ่งเข้าใส่แล้วก็ไม่น่ากลัวอะไรช้างตัวมันโตยิ่งไม่ค่อยผิดสำคัญว่ายิงให้ทันแล้วก็กะตออหัวขามหมองมันเข้าไว้นัดเดียวจะล้มตึงไม่ต้องสา ม, มารถนัดเอ้ไอ้ช้างขุงที่ดักเล่นงานพวกเราเมื่อวาน ลุงว่าเป็นช้างผีลงเหรอเชิถาอย่างเสียงมาบ้างหงายใหญ่ถ้าผีไม่ลงมันจะบ้าระหันมีเลขกคนุบายถึงขนาดนั้นชียวเหรอนันอินรู้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วละ่ะว่าอาการของไอ้ช้างขลงนั้นมันพิลึกอยู่ผิดธรรมชาติช้างป่าธรรมดามากแต่ก็ไม่อยากพูด เพราะกลัวพวกเจ้านายจะไม่เชื่อแต่นี่เจ้านายก็เรียกนานอินมาถามขึ้นเองนะเอาละเอาละพูดกันตรงๆเลยลุงคิดว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวลึกลับที่มันเดินตามหลังเราในถ้ำเมื่อตอนที่เรามุดลอดมานั่นหรือเปล่านานอินไม่รู้มันอาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวแต่ที่รู้แน่แน่ก็อย่างที่บอกกันนายใหญ่ไปแล้ว ไม่ใช่เจ้าทำเจ้าเขาณที่แปลที่สุดก็คือมันมีสองตีนเดินตามหลังเรามาได้เหมือนคนเสียงฝีตีนมันก็หนักมากย่ามาตึกตึกได้ยินทันหนักทีเดียวนายใหญ่เดินหลังขู่อยู่กันานอินก็ได้ยินแล้วแล้วมันก็ฉลาดไม่ตามเราชิดหนัก พอเรารู้ตัวมันก็หลบไม่ยออไม่มองเห็นตัวเลยเออแล้วก็ทักคืนนี้มันมาเดินตึกตึกอยู่รอบบริเวณที่พักของเรานี่อีกละ่ะว่าไงลุงชายันโผล่มาก็ดีดินายทหารให้มันมาเถอะนั่นนจะจับตัวไว้ให้ดูว่ามันเป็นอะไรถ้าจับได้ แต่ถ้าจับด้วยได้อาคมไม่อยู่ก็คงจะต้องจับมันได้วลูกปืนละ่ะลักษณะของหนานอินผิดกบุญคํามือขวาของระพินมากเพราะแกไม่พูดไม่โม้อะไรทั้งสิ้นในด้านวิชาอาคมและจะไม่ทําอะไรแบบพ่อมดหมอผีให้ฝ่ายเจ้านายเห็นเลยทั้งๆ ท, ที่แกเหนือกว่าบุญคำมากนับในเรื่องเช่นนี้ซึ่งทุกคนรู้ดี บุญคำนั้นครั้งแรกที่เห็นเชษฐาชายันและดารินก็ยอมรับแล้วว่าแกพอตัวทีเดียวในเรื่องมลดำสัยเวกแต่พอเอาจริงเอาจังเข้าขนาดระพินก็ยังแขังกว่าตาเท่าจอมกัลล่อนนั้นจะอีกจึงเทียบอะไรกันไม่ได้เลยกับครูพรานขนาดหนานอินผู้อาวุโสกว่าในทุกด้าน นี่ลู่อินลู่อินรู้เรื่องเกี่ยวกับมนคติสารไม่ใช่เหรอดารินพุ่งเข้าตรงจุดทันทีนายหญิงมนคตะสารก็คือมนหัวใจช้างมนสมิงก็คือหัวใจเสือสัตว์ปลาทุกอย่างนะมีอาคมบังคับมันได้ทั้งนั้นแหละนายหญิงเพียงแต่ว่าใครจะเรียนถึงหรือไม่เท่านั้น ม, มีอยู่สองประเภทที่จะเรียนรู้ได้แต่คนละแนวกันคือพวกเรียนในทางนี้โดยตรงจากดิราชานวิชาชั้นต่ำกับชั้นสูงไปเลยอย่างพระโสดาบันหรืออรหันต์พวกแรกน่ใช้บีบบังคับควบคุมด้วยกริยามนอาคมส่วนพวกหลังใช้การตรัสรู้และแผ่บารมีเมตตาให้ เชิดฐานขมวดคิ้วอย่างฉ ง, งนเขานึกไม่ถึงมาก่อนว่าพรานป่าอย่างนันอินจะพูดอะไรได้อย่างมีหลักเกณฑ์เกินฐานะของแกจึงถามในทันทีว่านี่หลงอินรู้สึกว่าลุงจะพูดอะไรเข้าขามากเลยนะเนี่ยเคยโบวเคยเรียนมาก่อนหรือเปล่านานอินหัวเราะเบาๆไม่ตอบแต่อนุชาบอกมาว่าพี่ไหญครับ ผมไม่ได้บอกพวกเราทุกคนมาก่อนเองจริงๆลุงอินนะ่ะแกะบูดมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่เป็นเนนแล้วแล้วก็ติดต่อมาจนกระทั่งเป็นพระในพมา่าแกเคยทุดดงแล้วก็เรียนหนักไปทางโลเกียชานมาแล้วพออายุเกือบสามสิบนั่นแหละแกะถึงได้สึกออกมาเป็นพรานป่าเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่ามีกรรมแต่ชาติบางก่อนทำให้แกร้อนผ้าเหลืองทนอยู่ต่อไปไม่ได้ คืนอยู่ต่อไปก็จะฆ่าคนทั้งในผ้าเหลืองอดีตก็เคยเป็นเสือปล้นมาก่อนและภายหลังศึกเพราะฉะนั้นแกจึงพอจะเรียนรู้อะไรมาบ้างในหลักของพุทธและพราหมณ์ตลอดจนมวลมืดทุกคนจ้องมาที่นานอินเป็นตาเดียวด้วยความประหลาดใจคาดไม่ถึงมาก่อน <c oughs> นี่เป็นความรู้ใหม่ของเราทีเดียวนะเกี่ยวกับเบื้องหลังความเป็นมาของลุงอินนี่ มีหน้าล่ะถึงได้เก่งในทางนี้เป็นพิเศษชายันคลางออกมาอ่ะแล้วลุงเคยเรียนรู้ในวิชามนคชคตชสารหรือมนสมิงมั่งไหมล่ะเนี่ยนายทหารนานอินรู้แต่ว่าในคัมภีส์ไยเวทมันมีอยู่จริงแต่ก็ยังเรียนไปไม่ถึงพวกที่เรียนรู้แตกฉานในทางนี้ส่วนมากจะไม่ใช่พวกพุทธ เพราะพระพุทธเจ้าถึงแม้ท่านจะรู้ท่านก็ไม่สั่งสอนไว้แต่มักจะเป็นพวกนักบวชในนิกายอื่นๆนานนมกะเลมาแล้วสมัยก่อนพระพุทธเจ้าของเราซะอีกพวกขอมพวกขมรนก็มีเรียนรู้กันมากพวกโยคีจิตไม่บริสุทธ์ก็ทำกันได้ มันเป็นสิ่งที่พูดกันให้เข้าใจกันได้ลําบากนะนายโดยเฉพาะพวกนายก็เป็นคนสมัยใหม่นานอินน่ะไม่เคยเล่าให้ใครฟังหรอกนอกจากนายชดเท่านั้นเพราะเดินป่าทุกยากอยู่ด้วยกันมองเห็นหน้ากันอยู่สองคนเท่านั้นใครรู้อะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังถึงนายชดเองนานอินก็รู้ว่าคงไม่เชื่อหรอกแต่นายชดก็ได้ไป จนถึงมรกนรมาแล้วนั่นแหละเชื่อไม่เชื่อก็ลองคิดกันดูเถอะถึงพวกเจ้านายทั้งสามคนนี่ก็เหมือนกันทุกคนได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนแล้วทั้งนั้นในคราวออกติดตามนายชดกระนานอินครั้งนั้นทุกคนอึ้งไปหมดเชษฐาเอามือลูกคาง ดวงตาทั้งคู่รีลงอย่างใช้พลังงานหนักในสมองทำไมเขาจะไม่เชื่อในเมื่อตัวเองเคยหลงเข้าไปอยู่ในโลกที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในแผนที่ของภูมิศาสสากลมาแล้วได้รู้ได้เห็นได้เผชิญประจนประจันกับสิ่งที่คนทั่วๆ่วไปจะต้องพูดถึงเป็นไปไม่ได้นี้มาสนักตอนนักแล้ว แล้วก็ไม่กล้านนำกลับออกไปเล่าให้ใครฟังผู้ใดยังโลกภายนอกฟังได้นอกจากพวกเดียวกันที่ผ่านพบมาด้วยกันแล้วเท่านั้นแม้แต่ในสี่โลกที่เจริญแล้ววิชาของพ่อมดก็ยังเป็นวิชาที่รับรองกันทั่วไปว่ามีอยู่จริงถึงกับตั้งกันเป็นสมาคมของพวกตนเองโดยเฉพาะ แล้วพวกนั้นก็สามารถทำอะไรได้แปลกๆนอกเหนือกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ได้จริงเหมือนกันลุงอินในที่สุดดารินก็เอ่ยขึ้นแผวเบาอย่างระมัดระวังในฐานะที่ลุงบวชเรียนและศึกษาในทางนี้มาก่อนลุงพอจะบอกได้ไหมว่าคนเราที่ตายไปแล้วโดยร่างกายเดิมคือไม่กิน ไม่หายใจไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่เคลื่อนไหวร่างกายอาจจะ ก, กลายเป็นท่อนไม้ท่อนหินหรือเน่าเปื่อยผุพังไปแล้วแต่ดวงวิญญาณของเขายังอยู่แล้วก็ยังมีอิทธิฤทธิ์ทาอะไรได้สิ่งนี้เป็นจริงไหมทาไมจะเป็นจริงไม่ได้ล่ะนายหญิงนั้นอินตอบโดยไม่มีอาการต้องคิดลังเลเลย ก็อาราหันทุกองท่านละร่างของท่านไปแล้วแต่ดวงจิตของท่านก็ยังอยู่เพียงแต่ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกเท่านั้นไม่งั้นเวลาเรานับถือกราบไหว้บูชาท่านจะสาแดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริมาช่วยเราได้อย่างไงล่ะแล้วถ้าไม่ใช่อารหันผู้ประเสริฐะลุบ แต่เป็นพวกนักบวชแก่กล้าวิชาอาคมไปในอีกด้านหนึ่งวิญญาณจะคงเป็นอมะตะอยู่เช่นนั้นไหมนายหญิงมีอารหันได้ก็มีมารร้ายได้มารผู้ไม่รู้จักผุดเกิดเปลี่ยนภพภูมิหากไปล่องลอยคอยสร้างบาปกันชั่วร้ายอยู่นับโกรธโกรธปี มีฟ้าก็มีดินมีสวรรค์ก็มีนรกนันนินพูดไม่เป็นอธิบายไม่ถูกหรอกแต่ก็ขอพูดสั้นๆอย่างนี้แหละมอมราชวงศ์สาวหันไปทางพี่ชายทั้งสองและเพื่อนทันทีกระซิบว่าถ้างั้นน้อยก็คิดว่าโซตะพอได้แล้วละ่ะ นั่นก็คือวิญญาณร้ายของไอ้นักบวชมันไรแห่งนิตรานครยังไม่ไปไหนสมตามที่แงซทรายเคยมาเข้าฝันบอกน้อยไว้ถึงแม้มันจะพ่ายแพ้เราไปแล้วในครั้งหนึ่งมันก็รวบรวมกระแสจิตของมันเข้ามาอีกครั้งและขณะ น, นี้มันกำลังจะหวนกลับมาแก้แค้นลองดีเราอีกด้วยความพยาบาทเชิดาอนุชาชัยยัน นิ่งอึ้งในคำพูดของหล่อนทุกคนอยู่ในสภาพครุ่นคิดที่ไม่เป็นสุขยังไงบอกไม่ถูกน้อยเธอมีอะไรเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นทีเดียวหรอผู้เอ่ยถามขึ้นคือชัยยันกระแสเสียงของเขาแคร่งขึุ่มจริงจังผิดไปกว่าเดิมฉันแน่ใจถึงเก้าสเก้าปอร์เซ็นนะ มีโอกาสให้ผิดพลาดได้แค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นแหละหล่อนย้ำแผ่วเบาอยู่เช่นนั้นมือกำรรอยู่ที่หน้า อ, อกตรงตำแหน่งกลัดพระเครื่องไว้แน่เตถามองหน้าชยันเพราะเคยร่วมระจญเหตุการณ์มาด้วยกันแล้วเมื่อครั้งรบพินนำหลวงพลัดเข้าไปในดินแดนอาถรรพ์ของนิทรานครส่วนอนุชานั่งกอดเขา่าหลังพิงกองสัมภาร ะ, ระทางด้านหัวนอนฟังอยู่เงียบ เพราะทั้งเขาและหนานอินไม่ได้พบมากระตาตัวเองเพียงแต่ภายหลังเมื่อได้พบปะกับฝ่ายที่ออกติดตามแล้วก็มาได้รับฟังเรื่องราวโดยพิศดารจากคำคุยบอกเล่ากันภายหลังซึ่งก็ไม่รู้ละเอียดทีท่วนอะไรนะักมันไตรไอ้ผีดิบร้ายนั่นมันน่าจะพินาศดับสูนไปแล้วในครั้งนั้นไม่ใช่เหรอเชษฐา อดีตนายทหารปืนใหญ่หันไปหารือขอความเห็นพี่ใหญ่ของคณะซากเสือโครงดำอันเป็นหินที่อาศัยสับเปลี่ยนสำแดงฤทธิดเดชได้กระซากนักบวชโลนซึ่งเป็นร่างเดิมเก่าแก่ของมันก็ล้วนถูกทำลายไปแล้วทั้งสองร่างไอซากเสือหินนั้นฉันเป็นคนวางกับระเบิดไว้กับมือตัวเองแยกเป็นเศษหินชิ้นเล็กชิ้นน้อย ส่วนไอ้ซากนักบวชลน้นก็ถูกแกยิงร่วงลงมาจากหน้าผาสูงแล้วบุญคำก็เป็นคนเผาหมอดไม้ไปพร้อมกับมาหาคมพีมายาวินของมันวิญญาณของมันหมดทางที่จะเข้าสิงในซากใดซากหนึ่งที่เคยอาศัยสับเปลี่ยนไปมาเพราะแหลกปนไปหมดทั้งสองร่างแล้วแล้วมันจะหวนกลับคืมนมาได้ยังไงอีกกันเนี่ยอืมก็นั่นนะสิ ฉันก็ยังงงงอยู่เหมือนกันในคำพูดของน้อยที่แสดงความเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นเราทำลายอาถรรพ์ของนิทรานครภายใต้คำสาปของมันรวมทั้งตัวมันเองก็พินาศสิ้นไปแล้วปลดปล่อยวิญญาณทนทุกทรมานของพันธุ์ธมวดีตลอดจนข้าราชบริพารทั้งหมดให้เป็นอิสระเพื่อไปผุดไปเกิดแล้วเราก็ผ่านอาถรรพ์ต่างๆของนิรานครไปได้โดยสวัสดิภาพ มันก็น่าจะแปลว่าวิญญาณชั่วร้ายของมันไตรณนะสูนสลายไปแล้วมิฉะนั้นเราก็คงจะผ่านกันไปไม่ได้แล้วนี่ทำไมน้อยถึงคิดว่ามันไตร ย, ยังอยู่อดีต ท, ท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์พูดเสียงต่ำๆเ ต, ต็มไปด้วยความพิศวงคลางแคลงเออพี่ใหญ่กระชายยันจำได้ไหมคะ ว่าการเดินทางผ่านปะเจกนกระสิงเร้นลับที่เรายังไม่สามารถจะเข้าใจได้ในครั้งรแรกๆเนะ่พวกเราจะมาปรึกษาหารือถกเถียงและก็ตั้งสมมุติฐานกันขึ้นก่อนโดยคาดการว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และจากสมมุติฐานของเรานี่เองทำให้เราแก้ไขอะไรตกได้เป็นเปลาะเปลาะไปแม้จะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ส่วนน้อยเท่านั้น สมมติฐานนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในการที่เราจะเข้าไปสู่การค้นคว้าแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราอยู่ในสภาพมืดมนหล่อนผู้ช้าๆเซลล์ทุกส่วนในสมองและกระสายจิตทำงานอย่างเต็มที่มีอาการเหมือนจะเข้าฌานสะกดตัวเองเพื่อเข้าไปสู่โลกซีกส่วนที่มืดมิดที่สุดพี่ชายใหญ่ตกมาที่ไหลเบา น้อยตั้งสมมุติฐานยังไงล่ะในครั้งนี้เกี่ยวกับไอ้ผีดิบมันไตรซึ่งมันทางไปแล้วด้วยฝีมือพวกเราในครั้งนั้นซากเสือโครงดำอันเป็นหินนะ่ะพินาศ ด, ด้วยกับระเบิดของชัยยันดารินกล่าวเนิบเนิบชัดเจนเป็นจังหวัดดวงตาหลีลงซากตัวของมันเอง มอดไหม้เป็นเท่าทานด้วยการเผาของบุญคำกระพินทุกวิญญาณจมบาปด้วยมนสาบถูกปลดปล่อยวิญญาณของมันไหรไปไหนชีวิตจริงตัวจริงของมันได้ตายไปแล้นา น, นับเท่าใดไม่ทราบได้พร้อมๆกับการถล่มล่มของอาณาจักรนิทรานคร แต่ดวงวิญญาณอันแก่กล้าฤทธิ์เป็นอมตะของมันในครั้งนั้นก็ยังอยู่และควบคุมวิญญาณของนิทราครทั้งหมดเอาไว้ได้ทว่าแต่แล้วเราก็มาล้างอาถรรพ์มลมายามืดลี้ลับของมันได้ใช่ค่ะเราเข้าใจว่าเราล้างได้โดยทําลายซากทั้งสองของมันระหว่างรูปร่างที่เคยเป็นมนุษย์ กับซากเสือโครงดำสันเร็ดและนั่นแปลว่ามันจะต้องตายซ้ำอีกงั้นเหลอคะในเมื่อคุณสมบัติดั้งเดิมของมันเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วน้อยหมายถึงกระแส จ, จิตดวงวิญญาณนะคะนั้นหลงว่าต่อไปสิตามสมมุติฐานหรือคาดคเนของเราอะ่ะเชิถาพยักหน้าตือนให้พูดต่อ ดารินเอามืออันเย็นเฉียบของหล่อนเท้าคางไว้เมื่อกี้เราได้ยินนันอินผู้บวชเรียนและรู้เรื่องเช่นนี้พูดให้เราฟังแล้วว่าเมื่อมีอารหันได้ก็มีมารร้ายได้เป็นของคู่กันเป็นดวงจิตที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่สิ่งแรกนะ่ะเป็นสิ่งสูง ส่วนสิ่งหลังเป็นสิ่งที่ต่ําช้าน้อยขอตั้งสมมุติฐานว่าเมื่อมันพลาดท่าเสียทีฝ่ายเราในครั้งนั้นเป็นการพ่ายแพ้เพียงชั่วขณะเท่านั้นวิญญาณที่ไม่มีร่างกายจะเข้าสิงสู่ได้ก็กระจัดกระจายตเตลิดเปิดเปิงไปก่อนอยังไม่สามารถจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนสร้างพลังอำนาจขึ้นได้ คล้ายๆาศึกที่แตกเสียเมืองตัวเองหนีรอดไปก่อนต่อมาพอตั้งหลักได้มันก็เริ่มรวบรวมพลังจิตของมันเข้ามาอีกถึงแม้มหาคัมพีมายาวินจะถูกทำลายพินาศไปแล้วแต่ดวงวิญญาณของมันเองก็เป็นดวงวิญญาณของนักบวช ท, ที่แก่กล้าฤทธิ์อาคมเพียบพร้อมไปด้วยอำนาจสยเวทกริทยามนอยู่ก่อนแล้ว แม้จะไม่เทียบเท่ากับสมัยที่มหาคัมพีรมายาวินของมันยังคงอยู่โดยจิตวิญญาณความทรงจำของมันเกี่ยวกับมนลมืชนิดนี้ก็จะต้องหลงเหลืออยู่บ้างตามคุณสมบัติของมันซสำยังเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทที่มันต้องเสียทีพ่ายแพ้เราไปในคราวนั้นดวงวิญญาณของมันก็ยังล่องลอยวนเวียนอยู่ในเขตแดนนี้ ไม่ยอมสลายตัวไปไหนครั้นพอฝ่ายเราอันมันถือว่าเป็นศัตรูเดิมมีความจําเป็นจะต้องเดินทางผ่านเข้ามาในเขตอาณาจักรของมันอีกครั้งมันก็พร้อมที่จะเล่นงานเราอีกแต่อาจจะแตกต่างกันไปในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งตอนนี้น้อยก็ยังคเนยไม่ถูกว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่เชื่อว่าจะต้องเป็นผลมาจากมันแน่ๆคือไอ้ผีดิบมันตราย ด้วดวงวิญญาณเดิมของมันน่แหละมันแค้นที่เราไปทำลายอำนาจคำสาปของมันแลปล่อยวิญญาณของพันธุมวดีให้หลุดพ้นจากการควบคุมไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเราช่วยนางอันเป็นที่รักที่ปรารถนาอย่างผิดตานองคลองธรรมของมันให้หลีกพ้นอำนาจของมันไปได้ข้อนี้พี่ใหญ่ก็ชชยันยอมรับไหมคะ พี่ชายใหญ่และเพื่อนงันไปชั่วขณะและเชฐาก็หัวเราะกล่อยๆยักไหลเฉะพาะข้อหลังพี่ก็ยอมรับนะว่าใช่พวกเราภายใต้การนำของรพินทำให้มันต้องสูญเสียนางพยาพันธุมวดีกับข้าทาสบริวารภายใต้มนตสาบของมันไปซะความจริงเราก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรด้วย แต่มันดันพามาเล่นงานเราพวกเราก่อนนี่โดยความหวงแหนที่เราล่วงถินหลงเข้าไปเมื่อมันเาเอาเราก่อนเราก็ต้องฉากกับมันชนิดใครดีใครอยู่ตอนนั้นมันก็เอาพวกเราตายกันหมดทางคณะนั่นแหละถึงได้เกิดการต่อสู้ทำลายล้างกันขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของระพินหรือพวกเรานี่ที่จะต้องป้องกันตัวค่ะใช่ ไม่ใช่ความผิดของเราแล้วเราก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นด้วยเราช่วยส่งวิญ ญ, ญาณจากคาสาปนับพันนับหมื่นให้มีโอกาสได้ไปผุดไปเกิดแต่มันในฐานะที่เป็นเจ้าครอบครองอยู่มันก็ต้องเครียดแค้นพยาบาทไม่ใช่หรอคะในเมื่อมันเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่ไม่ตายทรงความเป็นอมตะอยู่ตลอดนิรันดร์การแบบนั้นนี่บอกได้ไหมว่ามีอะไรที่มาทาให้น้อยคิด หรือตั้งสมมุติฐานแบบเนี้หมอมราชวงศ์อนุชาผู้สงบนิ่งฟังอยู่นานเอ่ยถามมาเป็นประโยคแรกจากพื้นความรู้เดิมๆจากคำบอกเล่าคร่าวๆที่ทราบมาบ้างพอสมควรน้องสาวสันสีสะแช่มช้าที่กลางคะ่ะถ้าถามอย่างนี้น้อยก็บอกไม่ถูกละคะ่ะ มันคล้ายๆจะมีอะไรมาระซิบบอกอยู่ในดวงจิตของน้อยตลอดเวลานับตั้งแต่คืนแรกที่ฝันร้ายเห็นระพินเดินตามการล่อของมันอยู่กลางป่าน้อยเล่าให้ฟังแล้วนี่คะว่าน้อยฝันเห็นระพินในสภาพไหนและพูดกันมาถึงเช่นนี้แล้วน้อยก็ขอบอกความจริงเช่เลยดารินหยุดกลืนน้ำลายลงคออันแห้งผาก ที่เรามาพักกันอยู่ที่บ้านหนองน้ําแห้งของระพินก่อนจะออกเดินทางมาในวันรุ่งขึ้นตอนนั้นน้อยอยู่ในห้องคนเดียวพี่ใหญ่ชยันแล้วก็พี่กลางยังคุยกันอยู่ที่นอกชาตตอนนั้นน้อยไม่ได้นอนหรอกแต่ยืนมองดูอะไรในความมืดอย่างปราศจากจุดหมายออกไปทางหน้าต่างแล้วน้อยก็ยิงปืนขึ้นหนึ่งนัดตอนนั้นทุกคนตกใจ วิ่งเข้ามาถามว่าน้อยยิงอะไรแต่น้อยก็บอกว่ายิงอะไรส่งเดชไปอย่างนั้นเองเออแล้วตอนนั้นน้อยเห็นหรือยิงอะไรเชษฐาถามโดยเร็วขมวดคิว้วตอนนั้นน้อยก็ไม่กล้าบอกใครอะ่ะเพราะเข้าใจว่าตนเองในตาฝาดไปเหมือนกันแต่สิ่งที่น้อยเห็นนะคะน้อยเห็นร่างของเจ้าผีดิบมันไร มันยืนอยู่ที่ลานดินตรงลานเรือนพักของระพินมันมาปรากฏตัวให้เห็นเหมือนภาพมายาน้อยยิงไปที่มันภายหลังจากที่เฝ้าสังเกตอยู่นานเห็นแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวโบกมือเหมือนจะเรียกของมันแต่พอทุกคนฉายไฟออกไปก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงซากต้นไม้แห้งที่มีเถาต้นฟักขึ้นเลื้อยพันอยู่ วิญญาณของมันมาหลอกหลอนจองเวนจองกรรมออกกันน้อยค่ะสามชายอึ้งไปอีกครั้งทุกคนจำเหตุการณ์ในคืนนั้นได้ดีเพราะผ่านมาไม่กี่วันนี่เองและในคืนนั้นไม่มีใครสงสัยอะไรนอกจากเข้าใจว่าเกิดจากอารมณ์วิปริตฟุ้งซ่านของหล่อนเองจึงทำอะไรแผลงขึ้นน้องสาวเล็กของคณะเพิ่งจะมาเปิดเผยเอาเดี๋ยวนี้เอง ว่าหล่อนเห็นอะไรอย่างไรพวกเจ้านายจะคิดยังไงน้านอินไม่รู้พานครูผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นในความเงียบงันของทุกคนแต่นานอินเชื่อตามที่นายหญิงว่าไอ้ผีนักบวชหมื่นปีหรือแสนปีต น, นั้นน่ะมันยังไม่ไปไหนแต่ยังคอยดักเล่นงานเราอยู่แน่แน่ เรื่องราวในหุ่นหลังเป็นอย่างที่นายใหญ่เคยเล่าให้พรานชดกับนานอินฟังแล้วมันก็คงไม่จ้องเล่นงานเราฝ่ายเดียวหรอกถึงฝ่ายนายระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็คงเจอดีเข้าด้วยเหมือนกันเออครั้งก่อนนานอินกับพรานชดไม่ได้เห็นด้วยแต่คราวนี้มันอาจเอาจริงก็คงได้เห็นแน่ แล้วแกก็หัวรอดเสียงพิกลร้องถามไปทางคู่ประจนภัยเก่าว่าเอากับมันน่ะนายชดเอากับมันสักตังอดีชดประชากรหัวรถตอบถ้าเป็นอย่างที่น้องสาวฉันว่าถึงเราไม่เอากับมันมันก็เอากับเราอยู่ดีนั่นแหละลุงอิน แล้วก็หันไปปลอบใจน้องสาวว่าทำใจสบายเถอะน้อยแล้วว่าเราเตรียมพร้อมเต็มอัตราสึกตลอดเวลาจะไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดชุดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วน้อยก็อย่าห่วงอะไรนะักเกี่ยวกับเรื่องนี้รพินจับคู่อยู่แล้วกับบุญคําส่วนทางด้านเราพี่กับลุงอินนะรับผิดชอบเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะรายนี้นะ่ะเหนือกว่าตาบุญคามากนะัก เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เขาบุยปากไปทางพรานครูเออแล้วตัวแกเองล่ะได้อย่างรับพินหรือเปล่าชยันถามโผล่มาไม่ใช่ฉันคนเดียวนะพี่ใหญ่ทั้งคนแกแล้วก็น้อยด้วยทั้งสามคนก็เคยผ่านเหตุการณ์อย่างที่เล่ามาให้ฟังแล้วแล้วจะต้องมาวิโกวิจาร์อะไรวะถั่วเฉลี่ยแล้ว คณะของเราก็ไม่ได้เสียเปรียบฝ่ายของรพินนะักหรอกทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มือ ด, ดีทั้งนั้นแล้วจะต้องกลัวอะไรไอ้ที่เราพูดกันอยู่นี่เราไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่เรากําลังหาข้อมูลเพื่อรับมือกับมันต่างหากเอาละน้อยสาหรับพี่ ก, กลางชัยันจะยอมรับฟังสมมุติฐานของน้อยเอาไว้และจะเตรียมตัวดำเนินการ ในแนวทางที่เราตั้งสมมุติฐานนี่ไว้จะไม่มีใครเผลอตัวหรือประมาทเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหรอกถึงเวลาที่เราควรจะนอนกันได้แล้วคืนนี้เกิดอะไรก็รู้เองก่ะชับลูกหับอย่าให้กองไฟทุ ก, กองดับมอดนะแล้วอย่าให้ใครหลับยามอย่างเด็ดขาดอนุชาสั่งหนานอินเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่แกจะเดินออกไป สายตาในกระโจมพักของนายจ้างพุ่งมารวมจุดอยู่ที่เขาขณะที่รพินไพรวันก้าวเข้าไปถึงอาหารเย็นเตรียมรอคอยเขาอยู่แล้วรวมทั้งฝ่ายนายจ้างทุกคนด้วยยังไม่มีใครลงมือรับประทานเพราะรอเขาอยู่เป็นยังไงเพียมากเหรอรพินสเตลีเอ่ยทักเป็นคําแรกยิ้มยิ้ม สีฟ้าเป็นประกายชื่นชมยินดีเมื่อมองมาที่เขาจอมพรานยิ้มให้ทุกคนด้วยสีหน้าอาการปกติครับได้พักไปงีบนึงก็ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วครับความจริงทุกท่านไม่จำเป็นจะต้องรอผมเลยครับรับประทานอาหารเย็นล่วงหน้าไปก่อนก็ได้ผมตื่นขึ้นมาผมก็หาอาหารกินเองได้ครับเราก็กลัวว่าคุณจะนอนหลับเดี๋ไม่ยอมตื่นเลยล่ะสิถึงได้คริสไปปลูก อทานอาหารรองท้องกันซะก่อนแล้วค่อยไปนอนต่อแล้วทุกคนรู้ดีว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากตบวันนี้อีกตลอดทั้งวันคุณน่าเหนื่อยยากกรากรามแค่ไหนมนุษย์เหล็กเบนพูดเสียงร่างร่าเริงพร้อมกับเลื่อนกระป๋องซุปที่อุ่นควันขึ้นกลุ่นส่งไปให้เขาอย่างเอาใจการใหญ่ไม่กล่าวอะไรรับมาและใช้ช้อนตักกินเงียบ เสียงนายคีดร้องทักมาว่าเฮ้ค hey, ุยไปพลางกินไปพลางสิเพื่อนยามี่ตั้งแต่คุณโปลกลับข้ามาในแคมป์เลยนะพร้อมตัเอาตัวคนที่เราคิดว่าตายไปแล้วกลับคืนให้เราคุณยังไม่ได้พูดอะไรกับพวกเราสักคำผมคิดว่าระหว่างที่ผมนอนพักคุณเชิดบุตรก็ดีคริสก็ดีหรือบุญคําจันก็ดี ก็คงจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกคุณที่รอคอยฟังข่าวอยู่ละเอียดดีที่สุดแล้วทั้งด้านผมที่ออกติดตามและทั้งด้านสองคนที่หายไปจนกระทั่งไปพบกันเข้าใช่เราได้รายละเอียดเกือบทั้งหมดจากฝ่ายของคุณแล้วก็ฝ่ายของเชิดวุฒิแล้วแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์นักจนกว่าจะได้อะไรบ้างจากปากคาของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด แห่งป่าภาพพื้นเอเชียนี่นี่คุณผมน่ะแทบไม่เชื่อหูเลยที่ได้ยินเสียงวิทยุรายงานเข้ามาก่อนของคุณว่าค้นพบตัวสองคนนี่แล้วในสภาพเรียบร้อยและต่อมาก็เห็นคุณนำเอาเชิดบุทรเล็กคริสกลับคืนมาให้เราได้จริงๆหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นด้วยเสียงกังวาลแจ่มใสผมก็ไม่ทราบจะเล่าซ้ายังไงอ่ะ ทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนกับที่คุณเชิดบุตรคริสแล้วก็คนของผมอีกสองคนไล่พวกคุณทางด้านนี้ฟังแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้ายัางสงสัยอะไรก็ถามผมเป็นข้ อ, ขอดีกว่ า, าใหญผมต้องเล่าเลยครับเสียงของระพินเรียบธรรมดาที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยตรงกันข้ามกับสไตลีคีตและอิซาเบล ที่มองจับนิ่งมายังเขาอย่างปิติตื้นตันในผลสำเร็จอันไม่น่าเชื่อก่อไปด้วยความประหลาดใจเพราะทั้งสามเป็นฝ่ายรอคอยอยู่ส่วนเชิดบุตรกับคริสติน่านั้นดูจะเป็นปกติเรียบร้อยดีที่สุดแล้วเพราะได้พบปะพูดคุยกับเข้ามาก่อนแล้วเมื่อตอนตามพบกันระหว่างติดตามด็กเตอร์สแตนลีย์ถือโน้ตของเขาที่สั่งที่เขียนสั่งข้อความไว้ สะบัดอยู่ในมือแล้วชูให้ดูนี่ผมคีบจะก็บเบร์แทบช็อกนะคุณเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นโน้ตของคุณชินเนียแต่คุณทั้งสามก็ปฏิบัติตามที่ผมขอร้องได้อย่างเคร่งครัดมากนลยครับด็กเตอร์คือเคลื่อนย้ายมาถึงห้วยสือร้องแล้วก็รอคอยอยู่ที่นี่แสดงว่าพวกคุณนเชลลาดและเข้าใจเรื่องระเบียบวินัยได้ดีมากต่อไปก็ขอให้ถือหลักปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปด้วยนะครับ คือถ้าผมแนะนำอะไรก็โปรดทำตามนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยดีงามเองครับระพินบอกมาหน้าตาเฉยนี่คุณในโน้ตนี่คุณไม่ได้บอกความจริงกับเราเลยนะว่าโดยแท้ที่จริงเนะี่ยบุญคำกระจันแอบกลับมาถึงแคมป์ของเราบนยอดศักดําำเมื่อตอนดึกแล้วภายหลังจากค้นหาทางเชื่อมต่อระหว่างโพรงถ้ำเพื่อเข้าไปช่วยเชิดบุกับคริสไม่พบ แม่ผมแดงตั้งปุจฉามาทันทีหล่อนร้อยเขาตื่นด้วยความร้อนใจอยากจะซักไซมานานแล้วทั้งๆ ท, ที่ความโดยละเอียดทั้งหลายก็ได้ทราบจากเชิดบุตรและคริสฝ่ายหนึ่งกับบุญคําและจันทร์อีกฝ่ายหนึ่งไปจนหมดสิ้นแล้วใช่ครับผมไม่ได้บอกเพราะเห็นว่ายังไม่สมควรจะบอกพวกคุณจะยิ่งตกใจสักแค่ไหนล่ะ ไม่เห็นบุญครรกระจันรอดมาได้โดยไม่มีคุณเชิดบุตรกับคริสกลับมาด้วยขณะนั้นทั้งคุณทั้งสามนอนหลับก็ควรใจหลับไปก่อนมันเป็นหน้าที่ของผมโดยตรงนี่ที่จะต้องติดตามคนที่หายไปเอาละ่ะสมมติว่าคุณตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต้องออกตามด้วยตัวเองโดยเอาบุญคํามกระจันไปด้วยอีกครั้งก็ทำไมคุณถึงไม่ปลุกให้พวกเรารู้มั่งล่ะคุณ คิดถามห้วนห้วนแต่สีหน้ายิ้มพวกคุณใจร้องให้ดีนะครับแล้วก็น่าจะได้คำตอบเองว่าทำไมผมถึงไม่ปลูกบอกโดยแอบไปซะเงียบเงียบแต่เราต้องการได้ยินจากปากคำของคุณนะเบนสวนมา 1, ทันที91การสูญหายไปของแม่เพื่อนสาวผมทองและเชิดบุตรเบนได้แสดงความวิตกคววงใหญ่ และ ว, วันไหวโดยแทบจะระ ง, งับความรู้สึกไว้ไม่ได้ยิ่งกว่าหัวหน้าคณะและคิดผู้มั่นคงและเก็บงำความรู้สึกได้มากกว่าซึ่งระพินก็สังเกตเห็นมาก่อนแล้วตั้งแต่เย็นวานทำไมคุณคิดว่าผมจะหนีงั้นเหรอเขาแกล้งรวนอิสเบีนสายหน้าช้าๆอย่างระอาใจแล้วยักไหลก็แล้วถ้าฉันไม่ถามคุณล่ะ คุณสุภาพบุรุษไหย่หอนเน้นประโยคหลังอย่างแดกดันผมรู้ว่าถ้าผมปลูกบอกความจริงทั้งหมดให้พวกคุณทราบผลที่ตามมาก็คือหนึ่งพวกคุณจะยิ่งวิตกทุกข์ร้อนเพิ่มขึ้นเพราะยิ่งจะเชื่อแน่เข้าไปอีกว่าสองคนนี่นหมดหวังแน่แล้วส่วนข้อที่สองถ้าผมจะออกตามกลางดึกเลย คุณทั้งสามจะต้องตามไปด้วยแน่ๆยากนักที่จะยอมเชื่อฟังผมโดยให้รออยู่ในแคมป์พักเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะห่วงคริสและคุณเชิดบุตรทั้งนั้นส่วนทางด้านผมอะถ้าคุณสามคนตามไปด้วยผมจะเกะ ก, กะเป็นภาระแน่เพราะผมรู้ว่าเส้นทางนะีมันแทบเลือดตากระเด็นทีเดียวจึงขอสารภาพว่าไม่ต้องการให้ไหวตัวรู้อะไรทั้งนั้นแอบหนีไปกับคนของผม ให้พวกคุณหยออยู่รอฟังข่าวแล้วก็พักผ่อนดีกว่าขณะเดียวกันก็เพื่อประหยัดเวลาระหว่างที่ผมออกตามสองคนที่สาบสูญไปภายใต้ภูเขาถลม่มผมก็ต้องการให้คุณทั้งสามกับลูกหาบทั้งหมดเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานี่แหละเหตุผลของผมมันก็อาจจะดูเป็นว่าผมไม่ให้ความกระจ่างอะไรกับพวกคุณเลย แต่ผมก็เลือกทำในสิ่งที่ผมเห็นว่าถูกต้องดีงามที่สุดแล้วทังนั้นอาจารย์ก็เข้าใจถูกแล้วล่ะค่ะสำหรับความรู้สึกนึกคิดของชายผู้นี้เรียกว่าอ่านใจเขาออกละค่ะเบนพูดกับโ ห, หน้าของหลอนระหว่างการสนทนาสอบถามกันอย่างรวดเร็วฉับไวราวกับการสอบสวนนี้เชิดบุญนั่งกินอาหารยิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรด้วยเลย ตามองจับอยู่ที่เฉพาะระพินส่วนคริสติน่าก็ก้มหน้าก้มตากินอาหารของตนเองเงียบเียบเนื่องจากคนทั้งสองพูดอธิบายอะไรให้พักพวกฟังจนหมดเปลือกแล้วแน่ละ่ะคงยกเว้นในบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะปล่อยให้พักพวกที่ยังมีความสงสัยอยู่สอบถามพลานใหญ่เอาเองโดยนั่งฟังเฉย ฐานจริงเะรอพินขณะที่คุณเห็นคนของคุณสองคนรอดตายกลับมาได้กลางดึกโดยรายงานให้คุณรู้ว่าเขาสองคนหมดผลนทางที่จะค้นหาเชิดบุตรกับคริสได้แล้วตอนนั้นคุณมีความรู้สึกยังไงจอมพรานเอาช้อนพลาสติกคนในกระป๋องซุปอยู่นานแล้วหยุดตักเข้าปากเบนถามมาว่าเขาไม่สบายหรือเปล่ า, าพินรีปฏิเสธ หล่อนจึงส่งอาหารกระป๋องชนิดอื่นและเนื้อย่างรมควันเลื่อนไปให้เขาพึมพาว่านี่คุณถึงคุณจะไม่ได้เป็นอะไรทางตายแต่ก็รู้สึกว่าจะไม่สบายทางใจอยู่มากนะระพินนี่เราคุยกันนะคุณไม่ได้มาจับผิดหรือว่าคุณเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยอะไรเลยตรงข้ามฉันคิดแล้วก็อาจารย์นี่ มีความรู้สึกว่าคุณน่ะยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าซะอีกในการตามมาคนสองคนนีกลับคืนมาจนได้นะผมไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าหรอกครับแต่พระเจ้ายืนอยู่ข้างคนสุจริตและตั้งใจทำงานจริงอย่างผมใชมากกว่าครับเขาตอบอย่างสารวมและเงยหน้ามองไปทางดอเตอร์สแตนลีย์จากนั้นก็เปลี่ยนสายตาไปยังเชิดบุตรและคริสติน่า ผู้นั่งอยู่คนละมุมโดยมีคิดกับสแตนลีขั้นกลางในลักษณะล้อมวงสองคนนี่ไม่น่าจะรอดตายได้เลยครับเพราะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผมเขาพูดช้าๆออกมาจากแก่นแท้หัวใจและตรงไปตรงมาเมื่อผมเห็นคนของผมสองคนแอบย่องกลับมา โดยไม่มีคุณเชิดบุตรกับคริสผมก็ไม่ได้มีความหวังอะไรเหลืออยู่อีกเหมือนกันแต่ที่ผมจําเป็นต้องไปก็เพราะหน้าที่ของผมอย่างน้อยก็จะได้กลับมารายงานพวกคุณได้ว่าสองคนนัตตายอยู่ตรงตำแหน่งไหนแน่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาศพออกมาให้ได้ด้วยแต่ผมก็โชคดีมากที่ยังอุตส่าห์รักษาชื่อเสียงของตัวเองไว้ได้ ในกรณีที่ว่าในชีวิตพานอาชีพอย่างผมไม่เคยเลยแม้แต่สักครั้งที่จะพานายจ้างไปเสียชีวิตทั้งๆ ท, ที่นายจ้างก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วปัญหาของผมนะั้มันมีมากเหลือเกินครับห่วงหน้าพวงหลังยุ่งไปหมดการพูดตรงๆแบบนั้นทำหอาทั้งเชิดบุตรและคริสติน่า หน้าจอยไปถนัดเชิดบุตรยิ้มแห่งๆแต่คริสติน่าก้มหน้าระพินกล่าวเนิบๆต่อไปแต่ถึงยังไงผมก็ขอเรียนตามตรงครับว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเชิดบุตรหรือคริสก็ล้วนมีความสามารถสูงสุดเกินคาดหมายของผมเช่นกันแม้ตัวเองจะพลาด หลบเข้าช่องทางที่กำหนดไว้ไม่ทันแต่ก็ไม่ได้ทอ้อถอยทอดอะไรเลยทั้งสองนี่พยายามแสวงหาทางออกสู่โลกภายนอกใต้ภูเขาถล่มทับนั่นได้ด้วยตัวเองโดยที่ผมแทบไม่จำเป็นจะต้องตามไปผมก็คนของผมบุกตามเข้าไปในช่องซึ่งทั้งสองเข้าไปติดอยู่ได้ก็จริงแต่ก็พบว่าทั้งสองคนหาทางออกมาได้แล้ว และไปพบกันตรงลำธาร น, นอกเขตอันตรายแล้วนั่นก็แปลว่าถึงแม้จะไม่มีการไปตามกันเลยหรือผมตามแล้วคนไม่พบช่องทางที่เชื่อมทะลุติดต่อถึงกันได้ตามเพดานหินด้านบนทั้งเชิดบุตรและคริสติน่าก็จะต้องรอดและกลับมาพบพวกเราได้วันยังค่ำแหละเพียงแต่อาจจะคลําทางช้าไปมั่งเท่านั้น ผมค้งคำนับทั้งสองท่านว่าเป็นนักต่อสู้และนักผจญภัยชั้นเยี่ยมยอดจริงๆครับนี่เป็นการพูดอย่างจริงใจเอาล่ะครับเดี๋ยวนี้เราก็ปลอดภัยเรียบร้อยกันพร้อมหน้าดีละขอให้ผมถามคุณเชิร์ตบุตรกามิสกรูบินต่อหน้าพวกเราทุกคนบ้างจะได้ไหมครับคุณจะถามอะไรคริสติน่าสวนมาทันทีภายหลังจากนิ่งอยู่นาน ผมอยากรู้ว่าระหว่างที่หินถล่มลงใส่คุณสองคนมาแต่ทำอะไรชักช้ากันอยู่ถึงได้หลดตามบุญคำและจันรไม่ทันทั้งทั้งที่นัดแน่กันไว้อย่างดดีแล้วแล้วคนของผมคือบุญคำก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดขณะที่ฝ่าฝนหินเพื่อจะเข้าไปฉุดดึงคุณทั้งสองจนกระทั่งตัวเองถูกหินกระแทกเกือบหลังหักไหนลองตอบมาต่อหน้าทุกคนนี่สิ แม่ผมทองเหลือบตาแวบไปทางเชิดบุตรแล้วก้มหน้านิ่งไปตามเดิมเชิดบุตรยกมือไหว้เขาปลกปรลุโปเถครับคุณพินผมกับคริสตต้องขอโทษคุณเป็นอย่างมากครับยอมรับโดยหน่าชื่นครับว่าเป็นความผิดของผมเองอะซึ่งผมก็บอกพวกนี้ไปแล้วผมมันหามันคนองเกินไปยั่วคริสให้โกรธ เมื่อแต่แย่ให้มีโทรศาพท์ทะเลาะกันอยู่ไอ้ฝนหินเจ้ากรรมมันก็ถล่มพลูลงมาเพราะภูเขาถลม่มเราก็เลยหลบตามบุญคำและจันไม่ทันถ้าจะด่าก็ด่าผมอะอย่าไปว่าอะไรคริสเลยแล้วถึงผมกับคริสจะหาทางออกมาได้ถ้าคุณไม่ตามไปก็หนึ่งเสือขยํำขอมองแหลกไปแล้วสองไทเสือตัวนั้น ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเราสองคนก็หลงป่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สอนผมไม่มากครับเกือบเอาชีวิตไปทิ้งซะและ้ว